เราจะประมาทไม่ได้ต้องหาแสงหาทางทางก็พระพุทธเจ้าของเราได้ตัดไปดีแล้ว น, นี้ศรัทธาสร้างศรัทธาขึ้นต่อพรนตนาตัยประพุติประทมเลยประสง์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 แล้วก็การเดินจงกรมมีสติเข้าไปเพิ่มสติเข้าไปกับขีติยญาการสร้างจิตวะมีสติเข้าไปเพิ่มสติเข้าไปเป็นกิริยาที่ทำเป็นกรรมไม่เกตนาไม่ความเพียรไม่ศรัทธาในการสํารวมไม่ปลิกิเวกออกไปอยู่ โอดีผู้เดียวหรือไปอยู่กับเม็ดกับเพื่อนเพื่อความอุ่นใจเห็นเพื่อนสร้างจังหวะเราก็เอากับเขาบ้างเห็นเพื่อนเดินชมกลมเราก็เอากับเขาบ้างบางทีถ้าจิตใจยังไม่มีความพร้อมถ้าอยู่คนเดียวก็ประมาณได้ถาว่ามีความพร้อมแล้วอยู่คนเดียวก็ยิ่งดี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 ตอนม่ายมันสอนก้อนเห็นก้อนดินมันสอนบันทีเราก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาก็พาทําความเพียรเราจะมานอนงอมืองอเท้าอยู่ยังไงเราก็คนเราก็คนวันทีหลงผู่เทียนเก่แล้วยังเดินยังกลมแทบแทบแทบแทบเราจะมาเป็นแก่เน็ดเกลีเหน่ยอยู่ทําไม ไปคิดอะไรมากเอาไว้คิดหองลกูกหองเมียหองครอบหองครัวหองบ้านหองช่องอา้าวพระพรุทธเจ้าเป็นยังไงศาสดาของเราเราเราพระสาวกทั้งหลายเป็นอย่างไรก็มีเหมือนกันท่านทำไมท่านยังปฏิบัตรทาท่านทำไมยังได้พระลหธรรม ไม่เอาอย่างท่านบ้างหรือจะเอาแต่อารมณ์ของตัวเองตัดสินใจโดยตนเองไม่คิดหน้าคิดหลังหรือเอาแบบยิ่งไปอ่านประวัติของพระสาวกแปดสิบ <c oughs> ลูกก็มีกำลังขึ้นมาศึกษาประวัติพระเทเจ้า ม, มีกำลังขึ้นม า, าได้ปฏิบัติลงไปได้มีสติ พอมันคิดไปถึงไหนถึงไหนพอรู้สึกตัวเอ้าวมันก็กลับมาอ่ามันก็เห็นผลบ้างปฏิบัติได้ให้ผลได้บ้างนะล้วก็ต้องสร้างสิ่งเวดล้อมให้เกิดขึ้นแก่เราอยาไปเปรี่ยบเดียวดายดคนเดียวไปสุขคนเดียวไปทุกข์คนเดียวไม่ได้เอาอย่างคนอื่นบ้างเขาทุกข์ยังไงเขาไม่ทุกข์อย่างไร ไม่ใช่ตัวเราคนเดียวไายตัวเราเนี่ยก็ไม่ใช่แวบแต่มีความหลงมันก็มีความรู้ด้วยในตัวเรามันมีความโกรธแล้วมันก็มีความไม่โกรธด้วยในตัวเรานี่ยมันมีความทุกข์แล้วมันก็มีความไม่ทุกข์ด้วยมองสองแง่สองมุมนี่ลายแง่ดีก็หัดเลือกเอาเเลือกเอาสิ่งที่มันถูกต้อง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 ว่าชอบว่าไม่ชอบสมมติปัญญาตไปโอ้ยเยอะแยะว่าผีหลอกว่าผีผู้หญิงว่าผีผู้ชายว่ า, อ, าอะไรสลพราอย่างที่มันจะหลอกเปลอยกเมฆมาทใไมกลัวทำไมกล้าทำห้เกิดกิเลสตัณหาจาเป็นจาเป็นมันไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่รีบด่วนคือความรู้สึกตัวนันมาทางนี้ก็มีความรู้สึกตัว เราสึกตัวเราสึกตัวอ่พวกเราที่นั่งอยู่นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละไม่มีใครที่จะวิเศษกว่ากันหรอกเหมือนกันมีกิเลสตัณหามีความคิดมีความโลภความโกรธความหลงมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีมิตรมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานมีคนรักมีคนชัางมีแพ้มีชนะมีสมบัติใหม่สมบังทั้งนั้นรสชาติของโลกน่ะ เราไปเอามาบัญญัติว่าเราไม่เหมือนเขาเขาไม่เหมือนเราเหมือนกันความหลงก็มเหมือนกันความโกรธควมเหมือนกันความทุกข์ความสุขก็มเหมือนกันความรักความชังก็มเหมือนกันชิเลตตัญหาก็มเหมือนกันนแล้วก็ไม่ต้องสงสัยล่ามาปฏิบัติอันที่เราไปสมมติโอ้หลวงพ่อกขาเป็นพระ ขเราเป็นโยมก็ไม่เหมือนกันไม่ใช่ทั้งสิ้นเหมือนกันสัจธรรมต้องเป็นอันเดียวกันมีความรู้สึกตัวกับความรู้สึกตัวอันเดียวกันไม่ใช่เป็นพระเป็นคัรวะเป็นเพศเป็นวัยเป็นลัทธิในกายนี่มีความรู้สึกตัวอันเดียวกันมันหลงกันเดียวกันพเวลาได้มันหลงมีความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวไปสร้างขึ้นเหมือนกันนีเราก็สร้างได้ มือเราก็ห้านิ้วสิบนิ้วา 2, ขาสองแขนสองในสมองมืออะไรเหมือนเหมือนกันทั้งหมดจนเขาสร้างหลักสูตรศึกษาเรื่องของกายเรื่องของอะไรต่างๆเหมือนกันเอาไปเป็นหมอเป็นสารสุขไปรักษาเหมือนกันหมดจบกันเดียวกันคําพูดันเดียวกันภาษาเดียวกัน เป็นตับเป็นใจกันเดียวกันในร่างกายนี่มีเจสาโลมานาขาทันตาตาโจผมขนและันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูกมากมหอยใจตับปอดปองปืดปางใสใหญ่ใสน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเหมือ น, นกันละ่ะแต่ว่าความไม่ทุกเนี่ยคนที่จะ ความไม่หลงเนี่ยควรที่จะพิเศษสักหน่อยให้พิเศษสำหรับชีวิตเราเรียกว่าวิวิเศษพิเศษวิปัสดาเนี่ยมันวิเศษนำไปสู่อย่างวิเศษไปสู่สจุดปลายปลายทางอย่างวิเศษนำไปวิเดินไปนำไปในยะ นำไปสู่ความวิเศษในยะนำไปวิคือวิเศษอย่ามันฟาดตรงนี้พวกเราสร้างเอาจะเอาความแก่มาอวดจะเอาความหนุ่มมาอวดจะไปอยู่ตรงนั้นยกตัวขึ้นสู่ความรู้สุดตัวหาวิธีแต่พวกเราก็เอื้อเอื้ออำนวยให้เกิดการปฏิบัต แต่เวลานี้ที่นี่ก็ไม่ค่อยสงบกำลังในการก่อสร้างก็คือเรียบด่วนเท่าหน่อยเพื่อจะให้เสร็จก่อนเข้าพรรษาเขาพรรษาเราจะเงียบกันปฏิบัติทำกัน อ, องพ่อก็คิดแต่เรื่องนี้ทำยังไงคนจะได้มีโอกาสปฏิบัติจริงๆทำยังไงคนจึงจะมาปฏิบัติ จะยงไงเขาจึงจะอยู่ปฏิบัติกับพวกเราก็าคิดแต่อย่างนี้พวกเราที่มาแล้วก็อยากไปโอ้ขออยู่ขออยู่ไม่ต้องขออยู่ไม่ต้องขออยู่เป็นเรื่องที่เราจะต้องอยู่เพื่อการนี่โดยตรงพวกเรามาจากไหนก็มาบางทีมูหนหัวก็ยังมาปฏิบัติเป็น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 การปฏิบัติธรรมอย่าไปขออย่าไปห้อยอย่าไปแขวนขใครมั่นใจอา้าวลองประเทียนปฏิบัติธรรมอายุเท่าไหร่อายุส่สิบหกปีอา้าวเราอายุสามสิบปีอา่าถ้าจะสมมุติจะเก่งขนาดไหนคนไอคิดไอ้คิดอย่างนั้นนะ เราก็ยกแขนขึ้นเราก็ไม่กล้าเหมือนกันแล้วก็เดิน ด, ดูเก้าออกไปเราก็ไม่กล้าเหมือนกันะเก้าออกไปมันลู่นี่เราทําได้ยกมือขึ้นนี่ลู่เราทําได้ให้มั่นใจนะมันลงเทไรเราลู่สึดตัวนี่เราทําได้บางทีไปคิดอะไรกับกิเลสลองดูมันคิดถึงลู่ถึงเมอยวเราก็ทําได้กลับมาได้มันคิดถึงคนเลาะคนช้างเอากลับมาได้อต่าง เชื่อฝีมือของเราบ้างเราทำได้เราทำได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติได้นะหลวงพ่อ เ, เทียนอายุสี่หกปีเราอายุสามสิบปีเนี่ยถามท่านอายุเท่าไหร่หลวงพ่อปฏิบัติทำนะสี่สิหกปีอคนอายุสามสิบปีกับสี่หกปีมันก็ต้องมีกำลังมังชาพากันนะเราชูกล้ามขึ้นเราจะต้องสูบเอาอย่างหลวงพ่อเทียน อารมณ์กเทียนคุยอวดด้วยผมกูบเทียนบอกว่าผมบ่ได้หาเงินล่อยหนุนผันดอกหาเงินสิบเงินห้ามันหาบ๊เป็นหาเงินล้านเงินแสนพุ้นธขึ้นหนึ่งมีผู้หญิงมานอนด้วยขึ้นละคนสองคนมันบ้านะมันบ้าแบบนี้ผมบ๊เป็นบ้าแล้วเนีย่ยพอบ๊วยเป็นบ้าแล้วนี่ทำแบบนี้ย เรายังไปเจอัหาความไม่เป็นสาระอพระพุทธเจ้าของเราศาสตราเอกเอาอย่างาภาษาพกเป็นยังไงคนที่ง่วงที่สุดคือพระโมกขลาดนั่งอยู่ตรงไหนงกง่วงรับตะพึดตะพือไม่มีปัญหามากทำยังไงทำยังไงจึงจะหายง่วง พระเจ้าก็สอนนะแสดงว่าคนที่ง่วงเหมือนเราก็มีเก่งเหมือนกันสองพันกว่าปีภระายแล้วมาง่วงทีหลังเขาเกิดทีหลังเขาไม่สําคัญมันหมายไปตัวเราไม่ไหวแล้วเขาไหวมาแล้วพระโมกุฎราชเนี่ยผู้ที่มีกิเลสตัณหามากก็ไม่เยอะผูะ้ที่มีทิฏฐิมากก็ไม่เยอะ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 บางทีโจรบางทีทิฏฐิมานะหอก่าวานิศ ต, ต่างๆนะก็ไ ม, ไม่ไม่ใช่เราอะไรหรอกเขาก็เหมือนเขาเขาก็เหมือนเรากนะ็าจะคิดนะนะไปลัวอะไรไปคิดอะไรนะต้องเราคนนึงนะ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 นำแม้มันจะนำเราก็แซงมันไปใครแซงไหมพี่ทองอยู่เคยแซงความหลงไห ม, มแซงได้ไหม <c oughs> อ่ามันด อ, อกหน้าเราแซงมันไปอ่าข้าออกไปอาศัยเข้าเกลีย <c oughs> มันลดคุณภาษามันเข้าเกลียสี่เข้าเกลียห้าวิ่ง <c oughs> มันขึ้นอ่าคนหนึ่งเขามาถามหลว่อ <c oughs> เอ๊ะทําไมเขาทขําไใบหลวงพ่อ โอ้ขอแสงความง่วงหรอมั้งใช่ไหมเวลามันง่วงแซงเกี่ยวกับ่ใช่ไม่ทันก็เลยยกเกียงว่าไปไปแสงความ่วงแซงความหลงแสงความคิดแต่มันไม่ง่วงมันไม่หลงกับพยายามทําโก้กๆจะหน่อยยกมาเสื่องเกี่ยวกับไปนลยอ่าเอาก่อประกอบเขามันมีมันทําได้มันชามันได้มันไวมันได้ เวลาใดมันหลงแสงความหลงเวลาใดมันโกรธแซงมันโกรธเวลาใดมันทุกแซงมันทุกเวลาใดกิเลสตัณหามาขึ้นแสงมันเอาสติเข้าไปเกี่ยวข้องอะธรรมย่อมแพ้ธรรมธรรมย่อมชนะอธรรมอยู่เสมอเพราะมันไม่จริงดอกกิเลสตัณหามันไม่จริงความโลภความโกรธความหลงมันไม่จริงเพราะไม่หลงในอหลรจริงที่สุดเพราะไม่ทุกในอะไรจริงที่สุดเพราะไม่โกรธจริงที่สุด มันจะใหญ่โตขนาดไหนไม่ภาษีภาษาเลยละมาสร้างความรู้จากตัวมาสร้างความรู้สากตัวนะให้เรียบตัวนิดหน่อยประตื้อล่นสักหน่อ ย, ออยมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีความมั่นคงมีปัญญาอย่าทำแบบโง่โง่ฉุกตัวเองขึ้นเวลาได้มันหลง ให้เห็นความหลงชัดเจนอย่ารึ่งหลงคขึ้งรู้อยู่อย่างนั้นอมงองอเลยมันชัดเฉพาะเรื่องเฉพาะเราหัดตัวเองตอนไม่หัดยมันไม่ไดีต้องหัดถ้ามันหัดมันก็เป็นไปได้มันก็ตือเราล้น อ, อยากให้มันหลงโดยสัาไปอยากให้มันมีกิเลสอยากให้มีความทุกข์มันจะได้เห็นมัน มันสนุกดีสนุกเล่นกับความหลงสนุกเล่นกับกิเลสเยาะเย้ยมันอะ้ยเยาะเย้ยมันเหมือนเขาเล่นกับงูพิษเขาแสดงเลยทีเดียวจับงูจงอางชกกับงูจงอางงูจงอางสองตัวเคยเห็นไหมคุณผู้ชมโอ้ยไปดูซิคนคนเดียวชกกับงูจงอางสองตัวคนภาคก็ภาคนะอ้า ไอ้ท้ายต่อยแล้วไอ้ขวาต่อยแล้วมือกลางทางท้ายทางขวาไอ้นคนก่นหลบหน้าออหลบหน้าออเครือบทูกไปวิดไปหน่อยเดียวมันชกนะแต่ไม่ชกไอ้นคนก็หยอกก่อนเอามือไปหยอกมันเดยมือไปใส่หน้าสลากกกกับก่อชกเขาชกเขาก็จะสู้ก็สู้คนไม่ได้มันวิ่งนี่มันกระโดดลงเวทีมือกลางมันมีเวทีนะมันเลื้อยลงไปโ่นไอ้คนก่นวิ่งลงไปจับตัวนั้นดึงหางขึ้นมาวางตงวนี่ เช่ากันอะไตัวนี่ลงไปแบบจับ ง, งูรงลางตออกมาโรคออกมาต่อยกันได้มันต่อยเออนด้สิออกิเลสตัณหามันไม่มีพิษเหมืนมองนงูจงลางมันไม่ถึงตายหรอะไม่ตายเพรากิเลสไม่ตายเพราะความโกรธแต่บางคนที่ไม่สู้ก็ตายนะเป็นโรค ก, ก็เพราอาหารเป็นโรค ก, ก็ะารถก็ตาย อ, อแพ้ของแค่นั้นะ อ่าที่บอกหรอกสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวอ่อ่ า, อาวันนี้ก็พอแนละ้วแต่มาพาควรก็ฝาพร้อมกัน <c oughs>